1.6. ชาวพุทธต้องรักษาสมบัติของพ่อแม่วงเล็บเปิด1 0มีนาคม2551นาในวงเล็บสองจุดจุดนาที26วงเล็บปิดพวกเราต้องช่วยกันทุกคนเรียนให้รู้เรื่องนะเจริญสติขึ้นมาพอเราได้ธรรมะแล้วเราก็ต้องช่วยกันสอนช่วยกันเผยแพร่ชาวพุทธทุกคนมีหน้าที่นะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเป็นลูกพระพุทธเจ้าเรามีหน้าที่ต้องรักษาสมบัติของพ่อแม่ ลูกที่ดีก็ต้องรักษาสมบัติของพ่อแม่เอาไว้ให้ได้ไม่ใช่ผ่านสมบัติพ่อแม่พวกเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องรักษาธรรมะของท่านเอาไว้ให้ได้วิธีรักษาธรรมะที่ดีที่สุดก็คือศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติจนเข้าใจแจ่มแจ้งมีปริยัตปฏิบัติปฏิเวทการได้ฟังธรรมนี่เรียกว่าปริยัตการลงมือรู้กายรู้ใจเรียกว่าปฏิบัติการเห็นความจริงของกายของใจจนปล่อยวางได้เรียกว่าปฏิเวท เป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นทีนี้พอได้สมบัติของพ่อแม่มาครองแล้วก็ต้องรักษาเอาไว้ทำให้มันเจริญงอกงามออกไปเผยแพร่ออกไปซ้อนออกไปสืบทอดออกไปอย่าให้สมบัติของพ่อแม่มาหายณนะวอดวายในรุ่นของเรานี้ฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่นะทุกคนมีความสำคัญต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่ากีดกันกันธรรมะสายโน้นไม่เอาสายนี้ไม่เอาไม่ใช่ต้องช่วยเหลือกัน